แต่ว่ามีเงืินไขนะเวลานอนต้องนอนแบบนี้นะนอนแบบนั้นไม่ได้นะพอวืบลงไปแค่นั้นนะ่ะสว่างโล่งเลยทีนะี้เห็นไหมความพยายามของผูริเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหมือนกับหลวงพ่อเทียนที่จะสื่อความหมายว่าไอไอความโรคโกรธหลงเนี่ยมันบีบขั้นใจเราแบบไหนเนะี่ยท่านพริกใายพริกขวในการแก้ให้เห็นเลยเนะี่ยท่านไม่ไม่ยอม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 ที่ท่านองค์พ่อเทียนนั้นพูดท่านหมาถึงอย่างนี้นะถ้าเราไปทําอะไรก็ติดอันนั้นแล้วเสร็จเลยไปไม่รอด <c oughs> เราก็อย่าติดนะแต่ไม่ได้บอกให้คุณพันทิ้งสํานักนะรักษาอยู่ตรงนี้ท่ายัางมีกรรมอยู่นะเมื่อไร ห, หมดกรรมแล้วเราจะทิ้งได้ไม่จะหมดแล้วรักษาไว้ก่อนเพื่อให้อาจารย์คุ้มขี่จะได้มาใช้บ่อยๆเนะ <c oughs> ออไม่ม า, า, มม า, มมาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวธรรมะจะเดี๋ยวธรรมะจะสันมาอย่างเงี้ยนะดันั้นเราจะเห็นว่า เรื่องเหล่านี้เราผ่านโลกนี้เพียงเพื่ออาศัยและลึกที่เราสวดใช่ไห ม, มยาวะเทวายานมัตตยะเพียงเพื่อรู้ อ, อเพื่อเพื่อรู้ปฏิสติมัตตยะเพียงเพื่ออาศัยและลึกอ่าลึกแล้วยูสองคนอย่าไปเกี่ยวข้องกันนั่งเขาจางนั่งทำเดี๋ยวไปยุ่งกันอดี๋ยวไปพึ่งกันนะ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 ท่านเป็นกษัตริย์ออกบทได้ข่าวว่าท่านคนนั้นนะ่รู้จักโลกุตลุลธรรมดีลองไปถามสิถามคนทเี่ยวไปเลยได้ข้อมูลอย่างนั้นนะไปก็ไปเห็นพุทธเจ้าทำนั่งพักอยู่ก็เข้าไปกราบเพราะแต่ท่านสมณะได้ข่าวว่าท่านเป็นผู้โลรู้จักโลกุตลุลธรรมพราพุเจ้ากำลังแสวงหาคำตอบอันนี้อยู่ได้โปรดบอกพระพเจ้ า, าด้วยเถิดว่าโลคุตลธรรมเป็นอย่างไร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 ว่าชิ้นเนี้ยท่านก็ตอกหลักขนัดหัวท้ายเลยนะตอกหลักขนัดหัวท้า ย, ยานี้เสร็จแล้วไอ้ชิ้นอีกอันนึงเนี้ยท่านก็มามาเจาะเจาะเป็นบาดตรงเนี้ยจนทะลุท้องมันเป็นบาดนี่เดียวนะเสร็จแล้วไอ้าบาด ท, ที่ท่านเจาะขวางมันเนี่ยมาจําเข้ากับไอ้ใบมีดที่มันขวางอยู่เนี้ยมาจําลงไปแล้วท่านถูไม่ถึงสองนาทีควนขึ้นเลยทีนี้ไอ้าท่านก็